เมื่อการนําไปใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดความไม่มั่นใจนะเมื่อไม่มั่นใจเราก็ปฏิบัติไม่ค่อยเข้มแข็งนะเมื่อปฏิบัติไม่เข้มแข็งความก้าวหน้าก็ไม่เกิดเนะมื่อความก้าวหน้าไม่เกิดก็ตัววิชาด้านอาวุธา น, านกไ็ไม่ลดอย่างเห็นได้ชนะัดแต่นั้นเองก็ เรื่องของการทาความเข้าใจหรือตัวสมาธิทิฏฐิเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ชัดเจนไว้สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติท่นี้จากวิธีการของพ่อเทียนกับสติปัฏฐาน4ี่แบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับสติปัฏฐาน4ี่แบบตัวบทต้องเดินทางไปดำเนินไปด้วยกันอย่าง ผสมผสานกลมกลืนนะมีถ้าหากว่าเราทําแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติประญานสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติประฐานสูตรแล้วมีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จักทางด้วยตัวเองมันก็จะไม่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 คิดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆอีกหรืออย่างสูงสุดก็คือกระทบแล้วหลุดเลยกระทบแล้วหลุดเลยมีสองระดับขนานั้นแต่ที่นี้เราใน7ปีตั้งแต่1ปีถึงเปีแล้วเสด็จเริญเสด็จประธานสูตรบานี่เราได้ระดับนี้หรือยังระดับแล้วกระทบแล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากระทบแล้วเรื่องนั้นไม่กลับมาอีกเรามีแล้วหรือยัง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 นะถามว่าตัวทุกขโทมานตอย่างนี่วอเนี่ยถือว่าเป็นทุกขโทมนตหมเป็นทั้งทุกข์ด้วยเป็นทั้งโทมานต์ด้วยความทุกข์ตรงที่ว่าทำให้ร่างกายผิดปกตินั่งสงกประง่ะงาไปร่างกายผิดปกติไม่สบายกายโทมนั์ก็คือความารู้สึกไม่ปกติเนี่ย น, นั้นคือความไม่สบายใจมันถึงได้ง่วงเหงาแล้วถามว่ามีไหมมีแล้วมีแล้วทำไมไม่แก้ไข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 อันนี้ก็จะพูดแบบอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราก็เอาชนะได้แต่ชนะตามกำลังของเราสมมติว่าตัวง่วงเนี่ยเมื่อก่อนอีซีเระอ่อนจริงจริงเรากวจะเอาชนะมันได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอเรามีบุรณาการในเงื่อนไขสามข้ออย่างถูกต้องเราก็อาจจะลดจํานวนเวลาเหลือลงมาแทนที่จะนั่งสักชั่วโมงอาจจะเหลือสักครึ่งชั่วโมง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 บรรลุถึงทรรมอันควรบรรลุทีนี้ไอ้ทันควรบรรลุในระดับไหนนะในสังห้าข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใสามเป็นฝ่ายบวกใี่สองอการเป็นจิวิเกเรสติประธานสีได้อย่างบุรณการได้าสามข้อได้ถูกต้องนี่นมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคำว่าควรจะเข้าถึงม่ว่ามันมัน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 นะเพราะรูปนามมีสองระดับระดับสมมุติระดับประมดระดับรู้ได้ไงว่าอันนี้ระดับสมมุติรูปนามระดับสมมุติคือไปเกี่ยวข้องกับกายมากเกี่ยวข้องกับรูปมากอยู่นะหมายความว่าจิตของเราไปเ ว, วนเกี่ยวกับเรื่อง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 ดังนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยถ้าทอย่างถูกต้องแล้วมันสนุกนะไอ้คาว่าทุกข์มันก็จะค่อยหายไปเนี่ยอันนี้ในหัวข้อที่สามที่ว่าเราจะรู้ทำอันเราควรจะรู้เราจะเห็นทำอันเราคนจะเห็นถึงในระดับรูปนาเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่ยากที่จะรู้จะเห็นเนี่ยร่างกายที่มันตึงมันเข่งมันไวมัน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 ประกอบให้อาตตาปีสติมาสัมปชันูเนี่ยทำงานในได้อย่างถูกต้องและอยางอาศัยสองตัวเนี่ยคว่าปรโตโขโะท่านกล่าวว่าได้แก่การฟังจากคนอื่นปรโตโขสะเสียงจากสะท้อนจากผู้อื่นอะปตโขสเสียงสะท้อนจากผู้อื่นได้แก่ใครก็ได้แก่กรายนานมิตรครูบาอาจารย์มิสายของเรานั่นเองอันนั้นเราจึงสวด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 ว่าหสเปอร์ซ็นจะทำดีแค่ไหนไงพูดได้ละเอียดแค่ไหนก็ห้าสิเปอร์เซ็นแต่อีกห้าสิเปอร์เซ็นเป็นของเราคือยูนิโสมนานสิการแต่เอเมาก็ทำหน้าที่เป็นกระยิมที่ให้มากที่สุดตามความสามารถที่จะมีได้นะมีการชี้แจงกนานแก้ไขทำให้แจ่มแจ้งชัดเจนในตัวบทแล้วก็ตรงไหนไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนไม่มกากพอก็ให้มีการซักถามตอนเย็นมาจะมี